จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25กันยายนพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่าจากภารกิจการรานต่างๆ ยังได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาหาที่พึ่งทางใจตอนนี้เรามีที่พึ่งทางร่างกายสมบูรณ์แล้วคือเรามีปัจจัยสี่ของร่างกายได้แก่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคน้งกายของเรามีที่พึ่ง เต็มที่แล้วปลอดภัยไม่อดอยากขาดแคลนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ทุกยากลำบากแต่ใจของพวกเรานี้ยังไม่น่าว่าเรามีที่พึ่งกันหรือไม่ถ้าเรายังหนักอกหนักใจยังวิตกยังกังวลยังห่วงใยยังหวาดกลัว ยังวุ่นวายใจยังไม่สบายใจอยู่สแสดงว่าเรายังไม่มีที่พึ่งทามใจกันพระพุทธเจ้าจึงสอนจิตใจที่เป็นร่างกายอีกร่างหนึ่งที่เราเรียกว่าร่างทิพย์กายทิพย์เราไม่สามารถมองเห็นจิตใจที่เป็นร่างทิพย์กายทิพย์ได้แต่เราจะปฏิเสธว่าเราไม่มีร่างทิพย์กายทิพย์ก็ไม่ได้ เพราะเวลาเราไม่สบายใจทั้งทางที่ร่างกายเราก็สบายดีก็แสดงว่าเราต้องมีร่างกายอีกร่างหนึ่งคือร่างทิพเราเป็นมนุษย์สองร่างด้วยกันเราเป็นคนที่มีสองร่างกายมีร่างกายที่อยากที่เราเห็นได้ด้วยตาเปล่าคือร่างกายที่ เราไม่อยู่อาการสาสสองนี้ส่วนร่างทิฟกายทิฟนี้เราจะเห็นได้ต้องเห็นด้วยตาในแต่ตอนนี้เราปิดตาในเพราะเรามาเปิดตาหน้ากันถ้าเราอยากจะดูตาในเราอยากจะเปิดตาในเราก็ต้องปิดตาหน้าเช่นเวลาที่เรานั่งสมาธิเราปิดตาหน้าเพื่อเราจะได้เปิดตาใน ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเราปิดตานอกได้ปิดความคิพต่างๆได้เราก็จะเห็นตาในเราก็จะเห็นกายทิพสร่างทิพของเราเหมือนกับโทรทัศน์เวลาที่เราเปิดโทรทัศน์ขึ้นมาเราจะไม่เห็นจอเราจะเห็นแต่ภาพที่ปรากฏอยู่บนจอถ้าเราอยากจะเห็นจอเปล่าๆ เ, เราต้องปิดโทรทัศน์ ปิดภาพพอไม่มีภาพเราก็จะเห็นตัวจอที่ไม่ใช่เป็นตัวภาพเป็นคนละส่วนกันเช่นใดตัวรู้ที่เราเรียกว่ากายทิร่างทิปนี้ก็เป็นตัวเหมือนกับจอโทรทัศน์แต่เวลาเราคิดเวลาเราเปิดตาดูของภายนอกภาพเหล่านี้ก็จะมา ปราบกฏอยู่บนจอจของกายทิพนา่งทิพทำให้เรามองไม่เห็นร่างทิพกายทิพเห็นแต่ภาพที่เราเห็นทางตาเราเลยไม่รู้ว่าเรามีร่างทิพกายทิพที่สำคัญกว่าร่างกายที่มีอาการสาสองเพราะๆๆร่างทิพกายทิพนี้ไม่ได้ตายเหมือนกับร่างกายที่มีอาการสาสองร่างกายของเรานี้ ต่อไปก็ต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ปวด่วยแล้วในที่สุดก็ต้องตายไปแต่กายทิพย์ของเราร่างทิพย์ของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างทิพย์กายทิพย์ของเรานี้ไปต่อไปตามอำนาจของบุญของบาปที่เราได้ทํากันไว้ถ้าเป็นบุญก็จะพาเราไปสู่ความสุขไปสู่สวรรค์ชั้นต่าง ถ้าเป็นบาปก็จะพาเราไปสู่ความทุกข์ไปสู่อบายชันต่างๆตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเราจะไปสูงไปต่ำเพราะว่าเรายังมีโอกาสที่จะทำบุญทำบาปได้อีกแต่สมมติว no> ่าถ้าเราตายไปในวันนี้บุญกับบาปที่เราทำไว้ก็จะมา หักล้างกันคิดบัญชีกันถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบาบุญก็จะดึงตายทิพร่างทิพของเราไปสวรรค์ชั้นต่างๆหรือไปพระนิพพานถ้าบาบมีกําลังมากกว่าบาบก็จะดึงเราไปอบายชั้นต่างๆไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตไปตกนรกนี่คือ เรื่องของกายทิพย์ของเราใจของพวกเราใจของพวกเราตอนนี้ขาดบูญกันใจของเราจึงไม่ค่อยมีความสุขกันมีความวุ่นวายใจมีความเดือดร้อนใจพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าเราต้องแบ่งเวลามาให้กับการาหาปัจจัยสีให้แกบกายทิพย์ ให้แก่จิตใจของเราด้วยอย่าหาเพียงแต่ปัจจัยสี่ของร่างกายเท่านั้นเพราะยังมีอีกคนหนึ่งะระหว่างกายกับใจนี้ท่านเรียกว่าใจเป็นนายกายเป็นบา่าวเรามัวแต่เลี้ยงคนใช้เราลืมเลี้ยงเจ้านายคือตัวเราตัวเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ตัวเรานี่อยู่ที่ร่างทิพย์กายทิพย์เราเพียงใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือด้วยการใช้ความคิดสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆอย่างวันนีเ้เราก็สั่งให้ร่างกายมาวัดความคิดนี่เป็นคำสั่งที่เราใช้ให้ร่างกายทำอะไรต่างๆสั่งให้มาวัดก็มาสั่งให้ไปเที่ยวก็ไป สั่งให้ไปทำอะไรต่างๆก็ไปร่างกายถ้าไม่มีใจเป็นผู้สั่งก็จะไปไหนไม่ได้เช่นเวลาตอนที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วไม่มีใจก็ไม่สามารถขยับขยื่นทำอะไรเองได้ร่างกายจะทาอะไรได้ต้องมีใจเป็นผู้สั่งแต่ตอนนี้ใจของเราไม่เป็นใจที่ไม่สบาย มักจะสั่งให้ไปทําในสิ่งที่เสียหายที่ไม่ดีเพราะคิดว่าเป็นการแก้ความไม่สบายใจต่างๆเช่นเวลาเราไม่สบายใจ mm. เราก็ไประบายด้วยการไปเที่ยว mm. ด้วยการไปซื้อข้าวซื้อของ mm. ด้วยการไปดื่มิสุรายาเมาด้วยการไปเสพยาเสพติดวิธี แก่ความไม่สบายใจนี่ไม่ถูกเพราะว่าจะทำให้เกิดปัญหาหเกิดโทษตามมาถ้าไปดื่มสุราก็จะติดสุราถ้าไปเที่ยวก็จะติดเที่ยวถ้าจะไปซื้อของก็จะติดการซื้อของก็จะทำให้เราต้องหาเงินหาทองมาทำตามที่เราต้องการจะทำ แล้วถ้าเราหาเงินไม่พอเราก็จะเดือดร้อนได้นี่ไม่ใช่วิธีที่จะแก้ปัญหาความไม่สบายใจด้วยการใช้เงินพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราอยากจะแก้ความไม่สบายใจให้เรามาทำบุญทำทานกันเพราะการทำบุญทำทานนี้เป็นเหลือนกับการให้ความสุขกับใจให้ความสบายใจ กับเราบนนี้เป็นเหมือนอาหารของใจเวลาใจหิวใจกลับไปหายาเสพติดมาเสกกันสิ่งที่เราไปหามาทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไปดูภาพยนตร์ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไปดื่มไปรับประทานของอะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินต้องรับประทาน อันนี้เป็นเหมือนกับการไปซื้อยาเสพติดมาเสพไม่ได้เป็นการซื้ออาหารให้กับใจเพราะเมื่อเสพแล้วแทนที่จะทำให้อิ่มกลับทาให้หิวมากขึ้นไปเที่ยวมาแล้วเดี๋ยวก็อยากจะไปเที่ยวใหม่ไปดูภาพยนตร์แล้วเดี๋ยวก็อยากจะไปดูภาพยนตร์ใหม่ไปดื่มไปทำอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวก็อยากจะทำใหม่ต้องทำอยู่เรื่อยๆ เวลาที่ไม่สามารถที่จะทำได้ก็จะทำให้เราไม่สบายใจทำให้เราทุกข์ใจถ้าเราอยากจะให้ใจเราสบายใจเราอิ่มเราต้องเอาเงินที่เราจะไปซื้อยาเสกติดของใจมาซื้ออาหารให้กับใจด้วยการเอาไปทำบุญเอาเงินไปช่วยเหลือผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนขาดแคลน เห็นญาติโยม น, นี้ก็มาที่วัดเป็นประจำซื้ออาหารข้าวหวานเครื่องใช้ไม่สอยมาถวายพระเพราะพระไม่มีอาชีพไม่มีเงินทองไม่สามารถที่จะเสื้ออาหารซื้อสิ่งต่างๆได้จึงต้องอาศัยญาติโยมเป็นผู้มาสนับสนุนการทำบุญแบบนี้การใช้เงินแบบนี้จะทำให้ใจเราอิ่มจะไม่ได้ทำให้ใจเราหิว เหมือนกับการใช้เงินไปเที่ยวใช้เงินไปซื้อของที่ไม่จาเป็นต่างๆซื้อแล้วก็ติดอยากจะซื้ออยู่เรื่อยๆพอไม่มีเงินซื้อก็จะเดือดร้อนแต่ถ้าเอามาทำบุญแล้วใจจะอิ่มจะไม่อยากซื้ออะไรจะไม่อยากเที่ยวแล้วถ้าไม่มีเงินก็ไม่เดือดร้อนอยู่บ้านเฉยๆได้เพราะเรามีอาหารให้กับใจ นี่คือการทำบุญนี่เปรียบเหมือนกับอาหารของใจแล้วถ้าเราอยากจะมีเสื้อผ้าอภรรท์ที่สวมใส่ให้กับร่างทิพย์กายทิพย์ของเราเสื้อผ้าอภรร์ของร่างทิพย์ของใจก็คือศีลธรรมคนที่มีศีลนี้จะเป็นคนที่สวยงามสวยงามทางใจดีกว่าสวยงามทางร่างกายถ้าร่างกายเราสวย เรามีเสื้อผ้าสวยๆสวยวสวมใส่แต่ถ้าใจเราไม่มีศีลเราจะไม่ได้เป็นคนที่สวยงามที่แท้จริงเราไปอยู่กับใครใหม่ๆเขาไม่รู้เขาเห็นเราสวยทางร่างกายเขาก็ชอบอยากจะอยู่กับเราแต่พอเราไปทำบาปเราไปลักขโมยไปโกหกไปประพฤติผิดตัวเองดีหรือไปฆ่าใคร ความสวยงามทางร่างกายก็จะหายไปไม่มีความหมายเพราะใจไม่สวยงามทำให้เขารังเกียจทำให้เขาไม่อยากจะอยู่กับเราแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเรามีศีลถึงแม้ว่าร่างกายเราจะไม่สวยงามจะไม่มีเสื้อผ้าสวยๆงามๆไม่สวมใส่ตอนต้นเขาอาจจะไม่ชอบเราก็ได้ แต่ถ้าเขาคบกับเราไปเรื่อยๆแล้วเขาเห็นว่าเราเป็นคนซื่อสัตย์เราไม่นักทรัพย์เราไม่โกหกหลอกลวงเราไม่ประพฤติผิดประเวณีเราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่ดื่มสุรายาเมาต่อไปเขาก็จะรักเราชอบเราเพราะคนที่มีศีลนี้ไม่ไปทำความเดือดร้อนให้กับใครนั่นเองอยู่กับใครก็ให้ความมั่นใจให้ความสบายใจกับผู้ที่อยู่ด้วย นี่คือความสวยงามเสื้อผ้าพรที่แท้จริงต้องเป็นสวยงามที่ใจสวยได้ศีลธรรมอย่าสวยเพียงแต่ร่างกายร่างกายสวยก็ดีแต่ถ้าสวยร่างกายแต่ใจไม่สวยนี้ความสวยของร่างกายจะไม่มีความหมายอะไรดังนั้นถ้าเราอยากจะสวยก็ต้องสวยทั้งสองส่วนสวยทางร่างกายด้วย สวยทางจิตใจด้วยแต่ถ้าเราไม่มีเงินทองที่จะไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆงามๆมาใส่ก็ไม่ต้องซื้อมาอย่าไปลักขโมยเงินทองเพื่อมาซื้อเสื้อผ้าสวยๆงามๆใส่เพราะจะทำให้เรากลายเป็นคนไม่สวยไปเพราะการไปลักท้ัพย์นี้จะทำให้เราเป็นคนที่น่ารังเกียร์จะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมกับเรา ถึงแม้เราจะมีเสื้อผ้าสวยๆงามๆสวมใส่แต่ใจของเราไม่สวยพอเขาอยู่กับเราไปสักพักเขาก็จะเห็นใจของเราเองธาตุแท้ของเราเวลาคบกันใหม่ๆนี้เราไม่รู้ธาตุแท้ของกันและกันแต่พอมาอยู่ร่วมกันแล้วต่อไปความความสวยความไม่สวยที่แท้จริงก็จะโผล่มา ถ้ามีศีลก็จะมีแต่ความสวยงามโผล่มาถ้าไม่มีศีลก็จะมีแต่ความไม่สวยงามโผล่ออกมาแล้วทำให้จะอยู่ด้วยกันไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีรูปร่างหน้าตามีเสื้อผ้าสวยๆงามๆไว้สวมใส่ก็ตามแต่พอความไม่สวยงามของใจปรากฏให้เห็นก็จะทำให้ไม่มีใครอยากจะอยู่ด้วย ดังนั้นถ้าเราอยากจะให้คนรักเราชอบเราเราอย่าไปเสริมความงามทางร่างกายมากจนเกินไปให้มาเสริมความงามทางใจกันดีกว่าด้วยการรักษาศีลละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาแล้วเราจะเป็นคนที่น่ารักไปอยู่กับใครที่ไหนก็จะมีแต่คน ยินดีให้เราอยู่แต่ถ้าเราไม่มีสีนี้ไปอยู่กับใครก็จะไม่มีใครเขาอยากจะให้เราอยู่ด้วยเวลาเราจะจ้างใครมาทำงานที่บ้านที่บริษัทเราก็มักจะดูที่ว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่เขารักทรัพย์หรือไม่เขากโกหกหรือไม่ถ้ารู้ว่าเขาเป็นคนรักทรัพย์โกหกเราก็ไม่อยากจะจ้างเขามาทำงานที่ที่บ้านเรา ว่าเวลาเราเผลอเดี๋ยวเขาก็ต้องลักทรัพย์ของเราไปนั่นเองแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ลักทรัพย์ไม่โกหกนี้เราก็อยากจะจ้างเขานี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรารักษาสินจะเป็นคนน่ารักเป็นคนเชื่อถือได้จะเป็นคนที่ไม่มีใครหลังเกียดนี่คือความเสื้อผ้าอภรรของใจ ส่วนที่อยู่อาศัยของใจที่เราเรียกว่าบ้านที่เราอยู่กันนี้บ้านที่เราอยู่นี้เป็นบ้านสําหรับร่างกายถึงแม้ว่าเราจะมีบ้านที่ปลอดภัยจากภัยต่างๆที่จะมากระทบกับร่างกายแต่ใจของเราก็ยังจะรู้สึกไม่ปลอดภัยได้ใจของเรายังถูกความทุกข์เข้ามาเหยียบย่ําทําลายได้ ถึงแม้จะอยู่บ้านราคาแพงๆเป็นค้ราชการร้อยล้านก็ต่างแต่ถ้าใจเราไม่มีบ้านใจเราก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัยใจของเราจะรู้สึกไม่สบายมีความทุกข์มาเหยียบย่ำจิตใจของเราถ้าเราอยากจะมีบ้านให้กับจิตใจพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราต้องมานั่งสมาธิกัน มาทำใจให้สงบกันเพราะว่าถ้าเราทำใจให้สงบได้ใจของเราจะมีความสุขยังไม่มีความทุกข์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามใจของเราจะเย็นจะสบายเหมือนกับเวลาที่เราเข้าไปอยู่ในบ้านเวลาอยู่ข้างนอกมันร้อนพอเราเข้าไปอยู่ในบ้านที่มีเครื่องปรับอากาศเราก็เย็นสบายแต่นี่เย็นทางร่างกาย ถ้าเรามีบ้านมีที่ปรับอากาศเวลาอยู่ข้างนอกมันร้อนเราก็เข้าไปในบ้านเปิดเครื่องปรับอากาศเราก็ร่างกายเราก็เย็นสบายแต่ถ้าใจเราร้อนถึงแม้จะเข้าไปอยู่ในห้องปรับอากาศมันก็ไม่หายร้อนวิธีที่จะทำให้มันหายร้อนต้องเข้าไปในบ้านของใจบ้านของใจก็คือความสงบที่เราเรียกว่าสมาธิถ้าเราอยากจะ ดับความทุกข์ร้อนต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราเราก็ต้องสร้างบ้านขึ้นมาสร้างบ้านให้กับใจด้วยการหัดนั่งนั่งสมาธิทำใจให้สงบใจของเราจะสงบได้นี้ต้องมีสติสติคือผู้ที่จะมาหยุดความคิดต่างๆที่ทำให้ใจของเราไม่สงบถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่สามารถหยุดความคิดเราได้ เวลานั่งสมาธิจะดูลมหรือจะพุทธโธก็ดูได้เดียเดยดเด๋ยวเดียวพุทโธได้เดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าคิดอยู่อย่างนี้นั่งไปนานเท่าไหร่ก็จะไม่สงบไม่เย็นไม่สบายดังนั้นก่อนที่เราจะนั่งสมาธิได้เราต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนวิธีสร้างสติก็คือให้เราระลึกถึงคําพุทธโธพุทธโธไปภายในใจตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะทําอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดเราก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าเวลาใดที่เราต้องใช้ความคิดเราก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วข่าวคิดในเรื่องที่จําเป็นคิดในเรื่องงานเรื่องการแต่ถ้าจะไปคิดเพ้อเจอ้อเพ้อฝันก็หยุดคิดอย่าไปคิดเพราะคิดแล้วจะทําให้ใจเราวุ่นวายไม่ไม่มีความสบุบถ้าเรามีสติเวลาเรานั่งสมาธิ เราให้คิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธมันก็จะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวไม่นานมันก็จะสงบเย็นสบายมีความสุขนี่คือวิธีหลบความทุกข์ร้อนใจต่างๆเวลาที่เรามีปัญหาทำให้ใจเราไม่สบายแล้วเราไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรเราสามารถแก้ความวุ่นวายใจของเราได้ด้วยการไปหาที่สงบ แล้วก็นั่งสมาธิพอนั่งรมาธิใจสงบความทุกข์ความวุ่นวายใจกับปัญหาต่างๆก็จะหายไปแล้วพอเรากลับไปดูปัญหาเราก็อาจจะเห็นวิธีแก้ปัญหาได้เพราะวิธีแก้ปัญหาก็มีหลากหลายวิธีที่ง่ายที่สุดก็ปล่อยมันไปปล่อยวางมันจะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเพราะเดี๋ยวเราก็ตายแล้ว เรตายไปมันก็หมดปัญหากับเราอยู่ดีอย่างนั้นปัญหาบางอย่างเราแก้ไม่ได้เราก็ปล่อยวางมันเสียอันนี้เรียกว่าการใช้ยารักษาโรคใจเรียกว่าปัญญาถ้าเราออกมาจากสมาธิแล้วเราเรามาเจอปัญหาแล้วใจเราวุ่นวายเราก็หายามารับประทานแก้ความวุ่นวายได้ ถ้าเราไม่สามารถไปหาที่นั่งสมาธิได้เราต้องอยู่กับปัญหาต่างๆเราก็สามารถที่จะรักษาใจของเราไม่ให้วุ่นวายไปกับปัญหาต่างๆได้ด้วยการใช้ปัญญาปัญญานี้เป็นยารักษาโรคใจโรคความวุ่นวายใจปัญญานี้คืออะไรคือการมองความจริงของทุกสิ่งทุกอย่าง วในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงไม่มีอะไรให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงดังนั้นเวลาที่เรามีปัญหาถ้าเราจะต้องเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปถ้าเรามีปัญญาเราก็ปล่อยให้มันไปเพราะมันมันไม่ได้เป็นความสุขหรอกมันเป็นความทุกข์มากกว่า ได้มาแล้วเราก็ต้องมาดูแลรักษามาวิตกมากังวลและเวลามันจากเราไปเราก็เสียใจอยู่ดีดังนั้นถ้าเราจะเสียคนนั้นคนนี้ไปเช่นแฟนจะไปไม่อยากจะอยู่กับเราเราก็พิจารณาว่าความจริงการมีแฟนนี่มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเพราะมีแฟนก็ต้องคอยกังวลคอยดูแลแล้วก็ต้องคอยมาห่วงว่าเขาจะ อยู่หรือจะไปเมื่อไหร่แล้วถ้าเกิดเขาจะไปเราก็ห้ามเขาไม่ได้ดังนั้นเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าแฟนของเรานี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะเขาไม่แน่นอนเขาไม่รู้จะอยู่กับเราไปนานหรือไม่นานเขาไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงวันดีคืนดีเขาก็กลายเป็นของคนอื่นได้ถ้าเขาเบื่อเราเขาไม่อยากจะอยู่กับเราเขาก็ไปได้ ให้เราคิดอย่างนี้คิดว่าการมีแฟนนี่เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขการไม่มีแฟนนี่แหละเป็นสุขเพราะจะได้ไม่ต้องทุกข์กับแฟนนี่คือปัญญาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในนักนนี้ที่เราอยากได้กันนี้มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่แน่นอนมันไม่ถาวรมันจะต้องเปลี่ยนไปหรือจากเราไปวันใดวันหนึ่ง เวลามันจากเราไปเราก็จะไม่สบายใจแต่ถ้าเราไม่มีความอยากได้อะไรไม่มีความอยากให้อะไรที่เรามีอยู่ต้องอยู่กับเราไปตลอดถึงเวลามันจะไปก็ให้มันไปเพราะเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรเราก็เลยปล่อยวางอยู่ก็อยู่ไปก็ไปถ้าเรามีปัญญาเราก็จะสามารถที่จะ รักษาความวุ่นวายใจได้เวลาเราจะวุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเราใช้ปัญญาคิดสัหน่อยว่าเขาไม่ใช่ของเราเขาต้องไปเขาไม่ได้เขาเขาไม่สามารถอยู่กับเราได้เราห้ามเขาไม่ได้เมื่อเขาอยากจะไปก็ให้เขาไปพอเราปล่อยเขาได้เราก็จะไม่วุ่นวายใจไม่เดือดร้อนนี่คือการ ใช้ยารักษาโรคใจที่เรียกว่าปัญญาถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็หลบเข้าไปในสมาธิก่อนก็ได้ถ้าเรานั่งสมาธิได้ถ้าแก้ปัญหาด้วยปัญญาไม่ได้ก็เข้าไปในสมาธิหลบเข้าไปในบ้านนี่คือเรื่องของปัจจัยสี่ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างให้กับใจของเราเหมือนกับปัจจัยสี่ที่เรา สร้างให้กับร่างกายของเราร่างกายของเรามีอาหารใจของเราก็ต้องมีบุญมีมีการทำบุญทำทานร่างกายของเรามีเสื้อผ้าอาภรณ์ใจของเราก็ต้องมีศีล ร, ร่างกายของเรามีบ้านอยู่อาศัยใจของเราก็ต้องมีสมาธิร่างกายของเรามียารักษาโรคเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาใจเราวุ่นวายมีปัญหาหลุมเรา เราก็ต้องใช้ปัญญารักษาใจด้วยการมองว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็ปล่อยได้มีใครอยากจะได้ของที่ทําให้เราทุกข์บ้างแต่เราไม่รู้กันว่าของที่เรามีอยู่นี้มันเป็นทุกข์แต่พระพุทธเจ้ารู้ให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าว่ามีอะไรแล้วจะต้องทุกข์กับสิ่งที่มีเวลาก็จากเราไปนี่เราสุขหรือเราทุกข์กัน ให้คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ไม่อยากจะมีอะไรไม่ไม่ยึดติดกับอะไรอะไรจะอยู่ก็อยู่ไปอะไรจะไปก็ปล่อยเข้าไปแล้วเราจะไม่มีความไม่สบายใจนี่คือการมาวัดเพื่อมาศึกษาวิธีสร้างปัจจัยสี่ให้แก่จิตใจขอให้ท่านจงนำเอาไปพิพจารณาและปฏิบัติ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 โดยโทวหน้ากันเธอ